ทุกเย็นหลังจากสวดมนต์เราก็มีการกรวดน้ำนะกรวดน้าตอนเย็นอันนี้เรียกแบบภาษาชาวบ้านเพราะว่าไม่จาเป็นต้องมีน้ำให้กรวดก็ได้มันเป็นการอุทิศส่วนบุญแล้วก็แผ่ส่วนกุศล น, นะให้กับสรรพสัตว์ถ้าเราพิจารณานะ ที่เพิ่งสาธยายเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นได้ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่แสดงถึงจิตวิญญาณของชาวพุทธหรือว่าจะแสดงถึงอุดมคติของชาวพุทธก็ได้อุดมคติคือคติที่สูงส่งที่งดงามนั่นคือว่าเมื่อเราได้ทำความดีได้สร้างบุญสร้างกุศล ม, มาตลอดทั้งวันนะเราก็ไม่หวงแหนเอาไว้กับตัว แต่เราก็แพกไปเดี๋ยวนี้มีความเชื่อปแปลกๆนะว่าเมื่อเราทำความดีแล้วนี่อย่าอุทิศส่วนกุลให้ใครนะเดี๋ยวบุญกุศลของเรามันจะหดหายไปนะมีคนเชื่อแบบนี้นะและมีคนสอนแบบนี้ด้วยอันนี้มันแสดงถึงความเพี้ยนแกตัวนะที่ไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธ เดี๋ยวนี้เห็นแก่ตัวหรือตนหนีแม้กระทั่งหวงบุญนะไม่แผ่ให้ใครเลยไม่น่าเชื่อว่ามัมีคนที่คิดแบบนี้แล้วก็เชื่อแบบนี้แล้วก็สอนแบบนี้ด้วยที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีคนเคยมาถามว่าจริงหรือเปล่านะว่าถ้าเราแผ่ส่วนบุญกุศลให้ใครแล้วนี่บุญกุศลของเราจะเหลือน้อยลงบุญกุศลนี่ไม่เหมือนเงินนะ เงินนี่ถ้าเราให้คนอื่นไปเงินในกระเป๋าก็จะเหลือน้อยลงแต่ว่าได้ความสุขกลับคืนมาอันนี้ก็อันหนึง่งแต่ว่าบุญกุศลนี่ยิ่งเราแผ่ไปนะยิ่งเราแผ่ให้คนอื่นเนี่ยบุญกุศลของเรายิ่งได้มากยิ่งเพิ่มผลมากขึ้นบุญชนิดนี้เรียกว่าปฏิทานนําไมปฏิทานน้ำไมคือว่าบุญที่เกิดจากการ อ, อุทิศส่วนบุญ คนที่พูดว่าหรือคนที่สอนว่าแผ่ส่วนบุญไปมากๆให้กับคนอื่นแล้วนี่บุญกุศลของเราจะเหลือน้อยลงเนี่ยแสดงว่าเขาไม่เข้าใจไม่รู้จักปฏิทานนําไหม่ปฏิทานนําไหมมันบอกในตัวแล้วว่าการที่เราอุทิศ่วนกวุศลให้กับผู้อื่นเนี่ยก็คือการทําบุญอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้บุญเราเพิ่มพูนมากขึ้นนะแล้วก็ อย่างที่เราได้สาธยายเนี่ยเราแพ่ส่วนบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เนี่ยจะถึงหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันแสดงถึงเจตนาลมของเร า, าที่ไม่หวงแหนแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วก็ไม่ใช่แบ่งปันเฉพาะคนที่เราลักเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ว่าแพ่ไปให้แม้กระทั่งสรพพสัต ทั้งข้างบนทั้งล่างไม่ใช่แค่เทวดามารพรมพอิณ น, นะแต่รวมไปถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ซึ่งก็คือเป็นตัวแทนของธรรมชาติแล้วก็สัตว์เล็กสัตว์น้อยนะก็อยู่ในความคิดคำหนึงของเราที่อยากจะให้เขาได้ประสบความสุขไม่ใช่เฉพาะคนที่เราลักนะคนที่เราเฉยๆหรือแม้กระทั่งคนที่เราเกลียด หรือคนที่มุ่งร้ายต่อเราเราก็แผ่ให้เขานะอย่างที่ระโศนเนี่ยพูดเป็นกลางผู้จ้องผาญเนี่ยพู้เป็นกลางคือผู้ที่เรารู้สึกเฉยๆเขาหรือเขาเฉยๆกับเราไม่ชอบไม่ชังแต่แม้กระทั่งคนที่จองร่างจองผลาญเรานะก็แผ่ให้นะเพราะนี่คือวิสัยของชาวพุทธนะเรามีเมตตาเราเชื่อในเมตตาที่ไม่มีประมาณ ใครเขาจะาบุ่งร้ายกับเราเพียงใดเราก็ไม่ได้โกรธเคืองเขานะเขาจะโกรธเคืองเราหรือไม่นี่เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าเรานี่ไม่โกรธไม่เคืองแล้วนะถ้าใครโกรธเคืองนะอันนี้ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเคยตรับกั บ, กบสาวกทั้งหลายนะกับพระว่า แม้มีคนเอาเลื่อยเนี่ยมาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเรานี่มันช่อหมายถึงว่าเราแต่ละคนนะไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้าแม้จะมีคนเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่นะของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจิตคิดแปรผันมีจิตมุ่งร้ายกล่าววาจาชั่วห ย, ยาบหรือปรารถนาจะทำร้ายเขาผู้นั้นชื่อว่าไม่ได้ทำตามคาสอนของ เราตถาคตเนี่ยพระเจ้าเนี่ท่านตรัสถึงขนาดนี้นแล้วว่าแม้กระทั่งเอย่าว่าแต่เขาด่าว่าเราเลยหรือว่าเขารังแกเราเขาก่อกวนเขาเลื้อยขาเก้าอี้เราแม้กระทั่งเขาเลื้อยตัวเราเนี่ยเพียงแค่จิตคิดแปรผันนะมุ่งร้ายหรือกล่าววาจาชั่วยามนี่ก็ถือไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์อันนี้คืออุดมกติของชาวพุทธ ทำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าให้รู้ว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรเพราะว่าพิสัยของของผู้ดชนเนี่ยก็ย่อมเผลอย่อมพลาดแต่ว่าเรารู้ว่าเรามีธงอยู่ข้างหน้าว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำให้ได้ในทางเดียวกันนะเวลาใครว่าเราได้เราด่าตอบเนี่ยผู้เจ้าก็ตำหนินะคือเจ้าจอดว่า ผู้ใดที่โกรธคนที่ด่าว่าผู้นั้นเนี่ยถือว่าเลวกว่าเขาเพราะว่าได้ทําร้ายทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเขาโกรธเราเขาด่าว่าเราแล้วเราด่าตอบนี่เราโง่กว่าเขาเราเลวกว่าเขานะเพราะว่าเราทําร้ายประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็คือว่าเมื่อเราโกรธเราด่าว่าเขาจิตใจเราก็รุ่มร้อนเป็นทุกข์เพ้อเผิดศีลด้วยนะ แล้วก็ทํำร้ายประโยชน์ของเขาก็คือว่าเป็นการเบียดเบียนเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแผลแม่แตายที่สุนทสนเนี่ยเราจึงควรที่จะแผลให้แม้กระทั่งคนที่เขามุ่งร้ายกับเราขุนข้องมองใจเราหรือคนที่เราขุนข้องมองใจเขาไม่ใช่ว่าแผลแม่ตายเฉพาะคนที่รักเราหรือคนที่มีบุญคุณกับเราน อันนั้นนี่ใครๆก็ทำได้นะโจรมันก็ทำนะโจรก็ทำได้นะบุญที่สูวนกุศลให้กับพ่อแม่แต่ว่าเราชาวพุทธเนี่ยเราต้องไปมากกว่า น, นั้นก็คือว่าคนที่เอามุ่งร้ายกับเราเราก็แผ่ไปให้ด้วยความจริงใจซึ่งมันจะเป็นผลดีกับเราเองด้วยซ้ำนะ ก็คือว่ามันจะช่วยลดความความโกรธความพยาบาทเพราะความพยาบาทความโกรธเกิดขึ้นกับใครก็ตามมันก็เผาลนจิตใจคนนั้นมันทําให้แผลในใจถ้าไม่เกิดแผลในใจขึ้นมาแล้วยิ่งโกรธยิ่งพยาบาทแผลในใจก็ยิ่งเรื้อรังเวลาเรามีแผลตามเนื้อตามตัวตามขาเนี่ยเราก็ต้องรักษาใช่ไหม เราก็ต้องหายามารักษาแผลในใจนี่อะไรคือยาที่จะรักษาได้ก็คือการให้อภัยหรือดีอยิ่งกว่านั้นนะคือการแผ่เมตตาให้เขาอาตมาเรียกว่าเป็นยาสามัญประจําใจทุกบ้านนี่มียาสามัญประจําบ้านแล้วนะแต่ว่ายัางไม่พอนะแต่และคนต้องมียาสามัญประจําใจก็คือการรู้จักให้อภัย แล้วก็การแผ่เมตตานะแผ่ความปรัชนาดีกับเขาอันนี้แหละเป็นเป็นเป็นวิสัยนะของชาวพุทธนะเป็นอุดมคตินีที่เราควรไปให้ถึงหลายคนบอกว่าเนี่ยจะให้อภัยได้ก็ต่อเมื่อเขาขอโทษเรานะคำถามคือว่าทำไมต้องรอเขาขอโทษเรา มันไม่ต่างจากคนที่ถูกรถชนกลางถนนและคนขับหนีสมมติเราถูกรถชนนะและ้วนอนพังภาพเนี่ยแขนหักขาหักแล้วก็รถก็ชนแล้วหนีคราวนี้รถพยาบาลก็มารับเราไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาแต่เราบอกว่าเราจะไม่ยอมขึ้นรถพยาบาลเราจะไม่ยอมรักษาจนกว่า คนขับรถนั้นเนี่ยที่ชนแล้วหนีเนี่ยกลับมาขอโทษเราปกติเราทำงี้ไหมคนฉลาดทำงี้ไหมเราจะฉันจะไม่ไปโรงพยงบาบาลเด็กขาดจนกว่าเขาจะมาขอโทษฉันใครที่คิดแบบนี้ใครที่พูดแบบนี้ก็ถือว่างโง่เพราะว่าการรักษาตัวเราเป็นเรื่องเร่งด่วนกว่าไม่ว่าจะเป็นแขนขาหักหรือว่า มีแผลเราก็ต้องรีบรักษาก่อนส่วนใครใครเขาจะมาขอโทษหรือไม่นั่นมปนเรื่องทีหลังในทองเดียวกันนะเวลาเราถูกคนนะทำร้ายจิตใจหรือว่ากลั่นแกล้งแล้วเรานะเกิดความโกรธขึ้นมานั่นเรามีแผลในใจละแล้วถ้าเราไม่รีบรักษาแผลในใจเราบอกว่าเขาต้องมาขอโทษฉันก่อนฉันดึงจะให้อภัย แล้คนนั้นก็ก็เรียกว่าไม่ต่างจากตัวอย่างที่อาตมายก ข, ขึ้นมานะการรักษาแผลในกายเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างไรนะการรักษาแผลในใจก็เร่งด่วนอย่างนั้นไม่ควรจะรอให้คนที่ก่อปัญหาหรือว่าคนที่ทำร้ายเรามาขอโทษก่อนนะการขอโทษเป็นหน้าที่ของเขา แต่ว่าการรักษาแผลในใจเป็นหน้าที่ของเราถ้าเรารักตัวเรารักตนเราก็ต้องรีบรักษาแผลในใจก็คือให้อภัยนะไม่มีเหตุผลอื่นนะไม่มีข้ออ้างอื่นแล้วนะอันนี้การแผ่เมตตาให้กับอุที่ส่วนก็ส่ให้กับผู้จ้องแาลเนี่ยนะจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก อันนั้นคือครึ่งแรกนะของบทกรดน้นตอนเย็นนะเป็นเรื่องของความรู้สึกสำนึกถึงจะเรียกว่าบุญคุณหรือความรู้สึกอ่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดที่สาธยายมาตั้งแต่เทวดามารพรนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พ่อแม่อุปชาอาจารย์ผู้เป็นการผู้จ้องพานผู้นี้เนี่ยเราแผ่ให้หมด เพราะเราถือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดนะถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะแม้กระทั่งเทวดามารพรนี่ก็ถือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสังสารวัฏนะไม่ได้เหนือไปกว่าเราพระเจ้าตัดว่าเนี่ยเทวดามารพรถึงแม้ก็จะมีฤทธิ์อิทธิปฏิหารอย่างไรเราก็ไม่ได้สยบยอมถือว่าเขาเหนือกว่าเราแล้วเราก็ไม่เห็นว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันต่ำกว่าเรา แต่เราถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเป็นเพื่อนร่วมทุกร่วมวัตตสงสารเราได้บุญได้กุศลมาแล้วก็แพ้ ห, หมดเราไม่ได้คิดจะวิงวอนอ้ อ, อนอ้ อ, อนอ้ อ, อ น, ออนวอนร้องขอเทวดาเลยอันนี้เป็นวิสัยของชาพุทนะไม่ได้วิงวอนร้องขอเทวดามารพรมถือแม้จะมีอิทธิฤทธิ ป, ปฏิหารเพียงใดเราถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกที่ต่างก็เกื้อกูลกัน และโดยการทําอย่างนี้แหละที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถจะอยู่เหนือเทวดามาและพรหมได้จกนกระทั่งแม้กระทั่งพรหมก็ต้องมาเคารพนบนอ บ, นอบมนุษย์อย่างที่ได้มาเคารพนอบนอบพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่ได้ร้องขอไม่ได้วิงวอนแต่ว่ามีความมีพัฒนาการในคุณธรรมเราเคารพก็ด้วยคุณธรรมนะ เราไม่ได้เคารพกันเพราะว่าเขามีอิทธิปติหารมากกว่าเขามีอำนาจเหนือกว่าเราไม่ใช่นี่เป็นวิสัยงชาวพูดคือเคารพกันด้วยคุณธรรมเทวดาก็อาจจะมีคุณธรรมน้อยกว่ามนุษย์นะเทวดาจะมีคุณธรรมน้อยกว่ามนุษย์อนานถมิติกาเศรษฐีนี่เคยไล่เทวดาประจําบ้านออกไปเทวดานี่ไม่เชิงประจําบ้านเข้ามาอาศัยอยู่ที่ซุ้มประตู แล้วก็แนะนำให้อนาธพิติการเนี่ยอย่าไปให้ทานกับพระสงฆ์เพราะว่ายิ่งให้ทานยิ่งจนลงยิ่งให้ทานยิ่งจนเทวดานี่ก็ก็เลยไม่รู้จะไม่รู้ว่าประจบหรือว่ า, าหวังดีนะก็บอกว่าอย่าให้ทานเลยท่านยิ่งให้ทานทั้งยิ่งจนลงอนาธพิติการนี่ไล่เทวดาไปเลยนะ เทวดาก็ยอมเพราะว่าอนาถปีติกาคุณธรรมสูงกว่าเป็นพระโสดาบันเทวดาไปก็รู้สึกผิดนะมาขอโทษนะมาขอโทษอนาถปีติกนะในในคติวิสัยของชาวพุทธเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเทวดาเนี่ยเหนือกว่าเราแต่ถ้าลักทิคติแบบฮินดูหรือพรามเนี่ยก็จะยกย่องเทวดามากนะถึงกับเคารพนบนอ้อนมะมีสารสารพระคมสารพิก พ, พิคเน แต่ว่าชาวพุทธเราเราเคารพในฐานที่เป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจะเคารพก็แต่ไม่มีคุณธรรมสำําเนือกว่านะกรอนนี้นี่ที่บอกไปแล้วคือครึ่งหนึ่งนะของบทกลอนตอนเย็นอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นเรื่องว่าเป็นการคล้ายๆว่าเหมือนกับตั้งเจตทิษฐานอธิษฐ า, านในที่นี้ไม่ได้แปลว่าร้องขอหรือถึงเป็นการร้องขอก็ไม่ใช่ว่าขอให้ ร่ำรวยนะขอให้ประสบความสําเร็จขอให้มีโชคมีลาบเนี่ยไม่มีเลยนะที่เราอ่านที่เราสาธยายเนี่ยไม่มีตรงนี้เลยซึ่งอาจจะต่างจากเวลาเราไปทําบุญนะเราจะขอโน่นขอนี่ไอสิ่งที่เราขอเนี่ยมันไม่มีในในบทกลอนน้ำตอนเย็นไม่ได้ขอให้ร่ํารวยไม่ขอให้มีชื่อเสียงไม่ได้ขอให้ประสบความสําเร็จนะจะขออะไรนะ ขอให้ตันหาอุปาทานเราตัดซึ่งตันหาอุปาทานนะสิ่งชั่วในดวงใจให้มล า, ายสิ้นจากสันดานคือขอให้ <c oughs> กิเลสเหล่านี้เนะี่ยมันหายไปจากใจของเราเราพรันได้ซึ่งการตัดตัวตันหาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจมล า, ายสิ้นจากสันดานทุกทุภพที่เราเกิดแล้วขอเลยอีกนะขอให้ มีสติทั้งปัญญาประเสริฐพร้อมทั้งความเพยียรเลืินเป็นเครื่องขูดกิเลสหายจิตตรงก่อนได้มีจิตตรงและสติทั้งปัญญาประเสริฐพร้อมทั้งความเพยียรเลืินเป็นเครื่องขูดกิเลสหายเพราะว่าชาวครูเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าความมั่งมีความร่ํารวยมั่งมีร่ํารวยมีชื่อเสียงไม่ได้แปลว่าจะทําให้เป็นสุขมันไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสุขเลย พอถ้าหากว่าร่ำรวยและมีความสุขเนี่ยคนยุคนี้ก็ต้องมีความสุขกับคนในอดีตคนในเมืองต้องมีความสุขมากกว่าคนในชนบทนะลูกก็ต้องมีความสุขมากกว่าพ่อนะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกเนี่ยรวยกว่าพ่อมีเงินมากกว่าพ่อหรือแม่นะแต่อย่างที่เรารู้นะก็ชนคนชนบทเนี่ยจํานวนมากก็มีความสุขมากกว่าคนในเมืองนะคนในอดีตมีความสุขมากกว่าคนปัจจุบัน รู้ได้ยังไงก็รู้จักเนี่ยยาคลายเครียดยาระ ง, งับปวดยาระ ง, งับยาระ ง, งับโรคประสาทต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีคนที่ไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลประจจังหวัดเนี่ยเพราะโรคเครียดนี่เยอะมากหมอให้ยาระ ง, งับความเครียดหรือเกี่ยวกับโรคจิตประสาทพวกนี้เนี่ยไม่น้อยกว่า 25% หรือหนึ่งในสี่ ไม่ใช่ยารักษากายนะแต่ปัญญาศาสตร์ใจมากกว่าเพราะความเครียดไม่ต้องพูดถึงยาเสพติดที่มันแพร่ระบาดหรือว่าจํานวนคนที่เข้าโรงพยาบาลโรคจิตโรคประสาทมันแสดงให้เห็นว่าคนยุคนี้เนี่ยมีความทุกข์ใจมากกว่าตั้งที่รวยกว่าดงนันความร่ํารวยนี่มันไม่ใช่เป็นหลักประกันแห่งความสุขถ้าต้องการความสุขที่แท้จริงนี่ต้อง ให้ตันหาอุปาทามาลดลงให้อกุศลธรรมมลดลงและกุศลธรรมเพิ่มขึ้นกุศลธรรมก็คือว่าจิตตรงมีสติทั้งปัญญาประเสริฐพร้อมทั้งความเพียรเลิศเพื่อใช้ขูดกิเลสให้มันหายให้มันลดท้อลงไปนะ น, นี่คือคตนะิของชาวพุทธนะเราไม่ได้ปรารถนาให้มีทรัพย์มีความมั่งมีหรือว่าให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรา มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าใจเราเต็มไปด้วยตัณหาอุปาทานหรือว่ามีกิเลสมากเนี่ยเราได้เท่าไหร่เราก็ยังทุกข์เพราะว่าไม่รู้จักพอหรือได้เท่าไหร่ก็ยังสึกว่าเสียอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยเด็กได้สิบบาทนะแต่ว่าเด็กไม่พอใจเพราะว่าเด็กรู้สึกว่าเขาเสียเก้าสิบพอแต่ก่อนเขาได้ร้อยนะ เขาลืมไปไว่าตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลเขาเล่นโดยที่ไม่ได้เงินเขาก็ยังสนุกแล้วเขาก็เล่นนะแต่พอได้100ร้อยแล้วก็เหลือห้าสิบแล้วเหลือสิบาทนี่เขาไม่พอใจแล้วเพราะเขาคิดว่าเขาได้เขาเสียเก้าสิบแม้ได้สิบนี่ก็ยังทุกนะเพราะว่ามองไม่เป็นเไงเพราะไม่มีพรามองแต่ลบหรือว่าไม่มีสติหรือมีความโลภเอาคนสมัยนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่อยากรวยนะแต่ต้องการรวยกว่านะไม่ใช่อยากรวยนะแต่ต้องการรวยกว่าคือถึงแม้จะได้มีเงินร้อยล้านนะแต่ถ้าเพื่อนๆนได้พันล้านนี่ตัวเองทุกนะตัวเองเครียดเลยนะแต่จะหายเครียดก็ต่อเมื่อรวยกว่าคนที่อยู่รอบตัวรวยกว่าเพื่อนบ้านนะรวยกว่าเพื่อนร่วมรุ่นนะเห็นเพื่อนร่วมรุ่นนี่เขาอืรวยกันทั้งนั้น ให้เราก็รวยนะแต่เรารวยน้อยออกว่าเขาเราก็ทุกนั้นจึงบอกว่าคนทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยากรวยแต่อยากรวยกว่าไม่ใช่แค่อยากสวยนะแต่อยากสวยกว่าตัวเองก็สวยอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ทุกเพราะเห็นคนอื่นสวยกว่าและอย่างนี้เนี่ยเท่าไหร่ถึงจะพอเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขมันไม่มีทางจะมีความสุขได้ถ้าเกิดว่าตัณหาอุปาทานนี่มันยังอ่าเพิ่มพูนไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลย แต่เราจะมีความสุขขึ้นนันทีเมื่อตันหัวประทานลดลงและเมื่อสติปัญญาและความเพียรจะเลยงอกงามมากขึ้นเอาคนที่มีปัญญานี่ยเขาจะรู้แล้วนะว่าเนี่ยจะมีความสุขได้เนี่ยมันต้องมีตรงนี้คือคุณธรรมภายในคุณภาพภายในไม่ใช่เพราะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นภายนอกมันมีเรื่องราวในชาดกนะชาดกนี่ก็คือเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้า ที่เราเคารพกราบไหว้กันนับถือเป็นสารณะก่อนที่พระพุทธจ้าจอุปบัติเนี่ยนะท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนหลายชาติทีเดียวเป็นร้อยๆชาติมีชาติหนึ่งท่านเป็นฤอษีเป็นฤอษีบำเพ็ญตบะนะจนกระทั่งเท้าสักกะคือพระอินทร์เนี่ยศรัทธานับถือแล้ววันหนึ่งก็มา มาเพื่ออะไรเพื่อประทานพรบอกกับฤาษีชื่อกัญหาว่าท้าวสักการเนี่ยพร้อมจะอยากจะประทานพรสีประการให้เราลองนึกนะถ้าเกิดเทวดามาหาเราเพราะว่าเรานี่ทําความดีเราทําความเพียรเทวดาบอกว่าจะให้พรสีประการนี่เราจะขออะไรเราจะรู้สึกว่าโอ้สีประการน้อยไปนะขอมากกว่านี้ได้ไหมนะกัญหาฤาษีขออะไรน ขอว่าหนึ่งไม่โกรธสองไม่มีโทสะสาไม่โลภสี่ไม่มีสเสน่หะเทวดาให้ได้มหเทวดาให้ไม่ได้แต่ถ้าแต่พระแต่กัรหาลุษีนี่รู้เลยนะว่าได้อย่างอื่นเนี่ยนะยังไงก็ทุกข์แต่ถ้าไม่โกรธไม่มีโทสะไม่โลภไม่มีสเนสเน่หะเสนหาคือความรักใคร่ผูกพันเพื่อปนเปิดตน ถ้ามีสีประการนี้ก็จะไม่มีทางทุกข์เลยแต่ว่าเทวดาให้ไม่ได้นะเทวดาเท้าสักกา์นี้สามารถจะให้ทองนะให้เงินให้ความมั่งมีแต่ว่าคุณทรรมสี่ประการหรือคุณสมบัติสี่ประการนี้เท้าสักกา์ให้ไม่ได้การหาฤาษีก็รู้นะรู้ว่าให้ไม่ได้แต่ว่า ก็ตอบไว้เช่นนั้นเพื่อให้รู้ว่าท่านไม่ได้ปรารถน า, าราบยศความมัง่งมีความร่ำรวยอะไรเลยเพราะท่านรู้ว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่ไม่ช่วยทำให้มีความสุขหรือว่าพ้นจากความทุกข์ได้มีอีกชาตินึงนะท่านก็เป็นพระธธุทธิสัตว์แล้วก็เป็นฤาษีเหมือนกันเท้าศักกะก็ศรัทธานับถือก็มามาเยี่ยมแล้วก็ประทานพร 4ประการเหมือนกันทีแรกท่านขออะไรท่านขอว่าหนึ่งนะขอให้อ่ไม่ได้เจอไม่เจอคนชั่วนะสองไม่ได้สนทนาปลาสายคนชั่วสามไม่ได้อยู่ร่วมกับคนชั่วนะแล้วก็สไม่ยินดีในคนชั่วเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยไอ้คนชั่วเนี่ยนะหรือคนพานเนี่ย ไม่มีทางทําให้ชีวิตประสบความเจริญได้ถ้าห่างไกลจากคนเหล่านี้ไม่เห็นไม่คุยไม่อยู่ร่วมไม่สนทนาป่าใสไม่ได้ยินนะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สนทนาป่าัยไม่อยู่ร่วมเนี่ยชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญแต่เสด็จท่านคิดอีกทีท่านบอกว่างั้นขอสี่ข้อมากไปขอข้อเดียวพอขอว่าอะไรรู้ไหมขอว่าท่านอย่ามาหาเราเลยนะ เพราะว่าถ้าท่านมาหาเราแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยหวังพึ่งพาท่านหวังพึ่งพรของท่านจะทําให้เราประมาทขอข้อเดียวข้อนี้เทวดาอัทธสักกะทําให้ได้นะแต่นี่มาเห็นมาเห็นคติของชาวพุทธนะมคติชาวพุทธคือว่าเราไม่ขอหรือถ้าจะขอเนี่ยก็ไม่ใช่ขอสิ่งภายนอกแต่ขอสิ่งที่มันเป็นเรื่องคุณธรรมภายใน แต่การขอคุณธรรมภายในก็ไม่มีใครทําให้ได้นอกจากตัวเองคำคํากรวดนั้นครึ่งหลังเนี่ยนะที่เราที่ขอให้พลันได้ซึ่งการตัดตัวปัญหาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจเมล า, ายสิ้นจากสันดานทุกทุกภที่เราเกิดเนี่ยจริงๆก็ไม่เชิงขอใครนะไม่ใช่ขอใครแต่เป็นการตอกย้ากับตัวเองว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นอุดมคติของเราที่เรา เรามุ่งมั่นว่าจะสร้างให้มีขึ้นกับตัวเราพูดง่ายคือขอตัวเองขอตัวเองบอกกับตัวเองว่าเนี่ยเราจะมุ่งนะสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นคือจิตตรงสติปัญญาประเสริฐและความเพียรเป็นการตอกย้ำกับตัวเองว่าเนี่ยเราจะเพียรพยายามเพื่อพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมา พะเราถือว่านี่สิ่งนี้มีคุณค่ากว่าความสำเร็จทางโลกราบยศสุขสารเสริญสิ่งนั้นไม่ใช่สาระที่แท้ของชีวิตแต่ว่าคุณธรรมภายในเพราะว่านี่เป็นวิสัยของบัณฑิตหรือผู้ฉลาดนะแต่เราสังเกตนะว่าให้สังเกตว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาทำบุญเวลาใส่บาตเวลาถวายสังฆทานเนี่ย เราตั้งจิตยอย่างไรเราขออะไรนะขอยี่ย้าะไปหมดเลยนะยกเว้นสิ่งที่เป็นคุณธรรมภายในขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรามากมายนะราบยศุกสารเสรสิญแต่ว่าไม่ได้สนใจสิ่งที่เป็นคุณธรรมภายในนะ อันนี้ก็นับว่าน่าเสียดายนะเพราะว่าเรากำลังมองข้ามนะอุดมกติของชาวพุทธไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการการสวดอ่าเปิดกวดน้ำทำวัดเย็นเนี่ยนะมันเราอย่าอย่าอย่าทำเป็นเพียงแค่พิ ธ, ธีหรือว่าอ่าทำไปตามความเคยชินพิจารณาดูว่าทำไมท่านถึงเขียนอย่างนั้นนะ มันมีเหตุผลนะซึ่งอาจจะสวนทางกับความรู้สึกของคนทั่วๆไปนะเช่นการที่อุทิศส่วนให้เทวดามารโพรอุทิศส่วนสุให้กับคนที่จ้องผ่านจ้องร้ายมุ่งร้ายทำร้ายล้างเหล่าเราก็แผ่เมตตาให้เขาหรือว่าการที่เร า, าตั้งจิตที่จะ ให้คุณธรรมภายในเจริญงอ่งงามให้กิเลสตัณหาลดน้อยลงไม่ได้ขออะไรอย่างอื่นมากไปกว่า น, นั้นหรือถ้าจะขอให้ขอสั้นๆกนนะ็ขอขอนิพพานนะคนสมัยก่อนเวลาใส่บาตก็จะอธิษฐานหรือว่าตั้งจิตว่ากล่าวคําสั้นๆว่านิพพา น, นปะปัจยโยโหตุขอไปปัปจจัยไปสู่พระนิพพานแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากไม่ ไม่มากไปก่นนั้นแล้วก็ไม่น้อยไปก่นนั้นนะขณะที่หลายคนนี่ขอยาวเลยนะบางทีตม า, าไปบินทบานี่ก็รอเขาอธิษฐานนะประมาณนาทีถึงสองนาทีได้ไม่จบสักทีขอหมดยกเว้นเรื่องคุณธรรมภายในหรือว่าอุดมกติสูงสุดของชาวกพคือพระนิพพาน คนสมัยก่อนคนที่สรารนี่เขาก็มีวันที่เขารู้สึกว่านิพพานนัปัจจัโหตุมันสั้นไปนะเขาก็เขียนแล้วก็ท่องเป็นกรอนนะข้าวของผู้ฆ่าผู้ฆ่าคือข้าพเจ้าขาเหมือนดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงบุ้งตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้คราวบวงมานขอให้ได้เกิดยุพัศอ่านคือว่าท้าไม่ได้นิพพานนะ ในชาตินี้ขอได้เกิดในยุคพรสีอ่านไปเลยเพราะว่าพระสีอ่านนี่คือผู้เจตเจ้าในอนาคตแล้วถ้าเกิดในสมัยเดียวกับพระองค์ก็มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงพระนิพพานได้คือท่านเอาแค่นี้เองนะไม่ได้คนสมัยก่อนเนี่ยเขารู้ท่านรู้ว่าเขารู้ว่านี่คือดวงกติสูงสุดที่สูงสุดของชาวพุทธไม่มีอะไรที่สําคัญไปกว่า น, นี้มีเงินมีทองมีความมั่งมีร่ํารวยก็ไม่ใช่ว่าหายทุกนะ คนที่มาหาตามาเมื่อวานเนี่ยทั้งสองรายทั้งเช่าทั้งบ้านนี่รวยนะรวยมากแต่ว่าเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าลูกตายคนนึงตายเพราะอุบัติเหตุลูกสาวอีกคนหนึ่งตายเพราะถูกยิงสามียิงแล้วเงินทั้งหมดที่มีแก้แวนเพชรนินจินดาทั้งหมดที่มีช่วยไม่ได้เลยที่จะทำให้หายทุกข์แต่ว่าถ้าเรามีคุณถ้าเรามีธรรมะนะมีสติมีปัญญาก็จะปลดเปลื้องความทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตั้งจิตของเราให้ดีแม้กระทั่งคาว่าอธิษฐานก็ต้องก็ต้องเข้าใจให้ดีนะว่ามันไม่ได้แปลว่าขออธิษฐานเนี่ยมันเป็นบารมีหนึ่งในสิบนะที่ทําให้พระโทธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้านะอธิษฐานเป็นบารมีนะบารมีแปลว่าความดีอันยิ่งยวดแปลว่าอะไรแปลว่าความตั้งใจมั่นที่จะความตั้งใจมั่นหรือความตั้งใจแน่ๆที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เป็นความดีอันยิ่งยวดอธิษฐานแ e, ปลว่าขออธิษฐานแปลว่าทำเดี๋ยวนี้เราคนไทยเราเปลี่ยนความหมายให้มันเพี้ยนไปคําว่าทานเนี่ยแต่ก่อนแปลว่าให้เดี๋ยวนี้แปลว่าวกินแล้วนะตรงข้ า, ามเลยแต่ก่อนนี้ทานคือให้เอาออกไปเดี๋ยวนี้ทานแปลว่าเอาใส่ท้องนะมั้ยทานข้าวทานหินทานปูอนอะไรเงี้ยอธิษฐานกับมังอธิษฐานเนีน escuela, ่ยความหมายคือ ตั้งใจมั่นที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งหมายถึงต้องเหนื่อยนะแต่ว่าทิศฐานนี้แปลว่าขอไม่ต้องทําอะไรเลยนะขอขอเทวดาขอรวยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรขอโดยขอรวยโ ด, ย, ดยที่ไม่เหนื่อยมันเพี้ยนไปหมดนะนะนี่เพราะว่าความเข้าใจที่ผิดพลาดข้าเครื่องของเราชาวพุทธให้เข้าใจให้ถูกต้องนะมันก็ทําให้เรามีทิศทางที่ดีงามประส่งเสริมให้ชื่อของเราจเจริญงอกงามขึ้นด้วย คำนี้ก็เหมกอนท่อนนี้เอากาพะ